วันนี้เป็นวันพระรหัสที่ย5สิบห้ามิถุนายนพุทธศักราชสอง3ห้าสาเป็นวาระของการฟังเทศฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งในยุคของโควิด -19 เธคือจะมีการแสดงธรรม ทุกสี่วันด้วยกันการฟังธรรมตามการตามเวลาตามมาระพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์สุขต่อจิตใจเพราะการฟังธรรมนี่เหมือนกับการอัดฉีดเป็นการให้กําลังใจ ต่อผู้ศึกษาต่อผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัติท่าในใหความสำคัญต่อการแสดงธรรมอบรมสั่งสอนอย่างมากมโดยเฉพาะหลวงตามหมาบัวสมัยที่ไปอยู่กับท่าน ช่วงแรกๆช่วงนั้นท่านยังไม่มีญาติโยมไปรบกวนท่านมากท่านเลยมีเวลาอบรมสั่งสอนพระเนนอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกสี่ห้าวันท่านก็จะเรียกพระเนนมาอบรมมาแสดงธรรมให้ฟังหนึ่งครั้งทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังธรรมหลังจากที่ได้ยินแล้ว ก็จะรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นก อ, อ, อนแสดงธรรมนี้เหมือนกับคนจะตายคนหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าเป็นต้นไม้ก็กำลังจะเฉากำลังจะเหี่ยวอพอฟังธรรมปั๊บนี่เหมือนกับต้นไม้ได้น้ําจิตใจได้ธรรมนี้เหมือนจิตใจได้น้ําความ หมดเรี่ยวหมดแรงนี้หายไปหมดก <Yeah. S 1> ำลังวังชาไม่รู้มาจากที่ไหน <Yeah. S 1> มีศรัทธามีวิริยะขึ้นมาอย่างมากมาย <Yeah. S 1> พร้อมที่จะกลับไปสู้กับกิเลส ต, ต่อไป <Yeah. S 1> ฟังธรรมเสร็จกลับไปก็เดินจงกรมต่อได้นั่งสมาธิต่อได้ <Yeah. S 1> วันไหนที่ไม่ได้ฟังธรรมนี้ จะรู้สึกไม่ค็อยอยากจะปฏิบัติเท่าไหร่อันนี้นะคือประโยชน์ของการฟังธรรมเป็นการอัดฉีดเป็นการเพิ่มพลังให้กับจิตใจในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาผู้ที่คอยฉุดลากจิตใจให้ติดอยู่กับ วัฏสงสารวัะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างพวกเราที่มาเกิดกันในชาตินี้เดี๋ยวก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายกันจะเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่เท่านั้นเองต่างกันตรงนี้ พอชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ที่จะทำให้การแก่การเจ็บการตายของเราในชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ ถ้าพวกเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดปฏิบัติแบบสุปฏิปันโน<ม>ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ปฏิบัติแบบถูกต้องปฏิบัติแบบเต็มร้อย<ม>ปฏิบัติดีก็เต็มร้อย<ม><ม>ปฏิบัติชอบก็ถูกต้องตามคําสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้าทุกๆประการ<ม>การฟังธรรมจะได้ให้เรารู้ว่าปฏิการปฏิบัติของเรา<ม>จะพาเราไปสู่ที่ใดบ้างการปฏิบัตินี้เป็นเหมือนกับการเดินทาง การเดินทางถ้าเราเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปเราก็จะต้องคอยดูแผนที่ mm hmm. เพราะเราจะได้รู้ว่า mm hmm. เราจะไปถึงที่ไหนบ้างอย่างไรนั่นเอง mm hmm. ถ้าไม่มีแผนที่เราก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันการศึกษาธรรมนี้จึงเป็นเหมือนกับการดูแผนที่ ดูจุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันว่าจะไปอย่างไรจะต้องผ่านจุดไหนบ้างถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันได้ธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่จะพาจิตใจของพวกเราให้ก้าวไปสู่ ที่สูงขึ้นตามลำดับจนในที่สุดจนถึงขั้นสูงสุดขั้นหลุดออกจากวัตสงสารหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันคือระดับโลกีย และร ะ, ะระดับโลกุตระระดับโลกิยะนี้คือระดับที่ยังติดอยู่ในวัฏสงสารติดอยู่ในตายพบคือการมาพบรูปพบและอรูปพบแล้วก็มีธรรมะอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าโลกุตระธรรม โลกุตละธรรมนี้เป็นธรรมที่จะพาให้ผู้ที่ปฏิบัติโลกิยธรรมที่ขั้นสูงสุดได้ก้าวออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกจากวัฏสงสารออกจากตายภพนี่คือธรรมสองระดับด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันะ ทำระดับโลกิยะมีอะไรบ้างทำระดับโลกิยะก็มีหนึ่งคือการทำบุญทำทานสองการรักษาสี่งสามการฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆนี่คือทำระดับโลกิยะ<ม>ที่มีอยู่ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะมาบวชมาปฏิบัติทมเหล่านี้มีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติกันมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่เป็นธรรมที่ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องรอให้มี คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์<ม>ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาค้นคว้าหาโลกุตลธรรมมาต่อยอด<ม>ต่อยอดจากการปฏิบัติทานศีลสมาธิคือขั้นที่สี่ขั้นโลกุตละธรรมคือขั้นปัญญา ปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะปลดปิ้งจิตใจของสัตว์โลกที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรได้อย่างสมบูรณ์ปัญญานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุว์ในวันเพ็ญเดือนหก ที่เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใต้ต้นโคนต้นโพและตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งปฏิบัติจเจริญภาวนาไปจนกว่าจะได้พบโลกุตระธรรมถ้าตัาบใดยังไม่ได้พบกับโลกุตรธรรมพระองค์จะไม่หยุดการปฏิบัติ ถ้าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ยอมให้มันเหือดแห้งไปแต่จะไม่หยุดไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดจะนั่งปฏิบัติภาวนาไปจนกว่าจะได้พบกับธรรมที่จะพาให้พระไทยของพระ อ, องค์นี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่เกิดทางโลกุตละธรรมร ขั้นปัญญาที่ไม่มีในโลกนี้ในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีได้ก็มีในช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เท่านั้นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ก็จะมีแต่ทรระดับทานศีลสมาธิแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาตัดสั้นก็จะมีทาขั้นปัญญา ที่จะเป็นผู้ที่จะพาให้จิตใจของสัตว์โลกที่ติดอยู่ในวัตฏสงสารอยู่ในตายภพได้หลุดออกจากตายภพไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มี โลกุตลธรรมนี้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาเป็นอย่างมากเพราะโอกาสที่จะได้มาพบกับโลกุตรธรรมธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ยากมากเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้โลกุตลธรรมนี้สักครั้งหนึ่ง น, นานเป็นกับเป็นกันถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกมาตัสรู้โลกุตลธรรมแล้วก็เอาโลกุตลธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีโลกุตลธรรมก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นในยุคที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรุปนะก็มีผู้ปฏิบัติทำระดับต่างๆนะมีปฏิบัติทานมีปฏนะิบัติศีลมีปฏิบัติสมาธิกันนะแต่ไม่มีใครปฏิบัติขั้นปัญญาไนดะ้ พ่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรปัญญานี้คืออะไรไม่มีใครรู้ในยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสโลเนี่ยยังไม่มีใครได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลย <Yeah. S 1> แต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลโลกุตระธรรมตัดสโลพระอริยสัจสี่นี่แหละคือโลกุตระธรรม คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากผู้ที่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นที่ไหนเห็นในใจของตอนเองนี่แหละพวกเราทุกคนนี่มีทุกสมุทัยนิโรธมากอยู่ในใจของพวกเรากันทุกคนแต่เรากลับมองไม่เห็นกันเพราะเราหันหนังให้กับพระอาริยสัจสี่นั่นเอง ใจของพวกเราหันออกไปข้างนอกหันออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหันไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันจึงหันหลังให้กับพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกครั้งที่เวลาพระอริยสัจสี่แสดงตนขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในใจของเรา เราต่อไปคิดว่าอยู่ข้างนอกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสพุพพะอยู่ที่คนนั้นคนนี้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นพอเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราไปคิดแล้วว่ามันอยู่ที่ข้างนอกตอนนี้เราทุกใจกับไอ้โควิดสิบเก้าเราก็ไปว่ามันเนี่ยไอ้ไอตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจนี้ก็คือไอ COVID ้โควิดสิบเก้านี่ เมื่อกาลมันไม่มาเราก็ไม่มีความทุกข์ใจพอมันมาปั๊บนี่คนทั้งโลกนี่ทุกข์ใจกันเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็เลยไปโทษโควิดสิบเก้าว่าเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจกันแต่ความจริงไม่ใช่ตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจนี่ไม่ใช่โควิดสิบเก้าตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจพระพุทธเจ้าบอกว่าคือสมุทยัย สมทนะุทัยนทุก็คื อ, อความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราเนี่ย ม, มันเกิดจากเวลาที่มีอะไรจะมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกของพวกเรานี้เกิดตอนที่มีความแก่เกิดตอนที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความ โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้อโอกาสที่จะตายได้เช่นตอนนี้อโอกาสที่จะตายด้วยโรคโควิดสเกโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโควิดสินี้มันมาปรากฏให้เราได้รับรู้แล้วมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาในใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่สาเหตุ มันไม่ใช่เพราะเจ้าโควิดสิบเก้าที่มาทำให้เราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่ทุกข์กับโควิดสิบเก้าก็มีคนที่ไม่ทุกข์กับโควิดสิบเก้าก็มีแต่มีน้อยคนที่ไม่ทุกข์กับโควิดสิบเก้าคื อ, ค, อคนที่เห็นอริยสัจสี่นั่นเองเห็นอริยสัจสี่เห็นสมุทยัยตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโควิดสิบเก้ามันอยู่ที่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่ตาย <Yeah. S 1> เรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาต <Yeah. S 1> ามาตันหา <Yeah. S 1> ทำไมเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมเราไม่อยากตายกัน <Yeah. S 1> ก็เพราะเราอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายกันนั่นเอง เราอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเราก็ต้องมีร่างกาย <Yeah. S 2> ต้องมีตาหูจมูกตึงกาย <Yeah. S 2> เพราะร่างกายนี้ <Yeah. S 2> จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้ <Yeah. S 2> แต่พอมีเจ้าโควิดสิบเก้ามาระบาดปั๊บมันก็เบรเราทันทีเห็นไออกไปเที่ยวกันไม่ได้ <Yeah. S 2> ไป หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่ได้หาได้ก็ต้องหาอยู่แต่ในบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้มันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมาตัวนี้ทำให้เราทุกข์ใจก็เพราะวาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองจึงทำให้เราอยากให้น่างกายของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้น่างกายของเราไม่ตายกันนั่นเอง ไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่สำหรับผู้ที่ได้เจริญปัญญาได้พิจารณาได้ปฏิบัติธรรมมาตามลำดับตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีล ข, ขั้นสมาธิจนถึงขั้นปัญญาคือศึกษาพระอริยสัจสี ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เลยรู้ทันทีว่าผู้ที่ทำให้ทุกข์ใจนี้ไม่ใช่โควิดสิบเก้าผู้ที่ทำให้ทุกข์ใจคือความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากโควิดสิบเก้าความอยากไม่ตายจากโควิดสิบเก้าเพราะมีความอยากที่จะอยู่ อยากจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายหาความสุขทางต า, า, าหูจมูกลิ้นกายนี้เองอพอผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นโทษของความอยากทั้งสามนี้แล้วก็เลยใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดความอยากเหล่านี้ไปจากใจ คือหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบหาความสุขจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะพอพอเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ mm hmm. ก็เลยไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกาย mm hmm. ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะหยุดไป mm hmm. คนที่อหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ mm hmm. ก็จะไม่ทุกข์ mm hmm. กับการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าหรือการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ<ม>ที่จะมาคอยรังควานคอยคุกคามทำลายร่างกายให้ตายไป<ม>นี่แหละมีผู้ที่ไม่ทุกข์กับโควิดส<ม>ิบเก้าคือผู้ที่เห็นอริยสัจสี่<ม>ผู้ที่เห็นอริยสัจสี่ เห็นว <mm um> ่าทุกใจนี้เกิดจากความอยากของใจความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากอยู่ความอยากอยู่เพื่อหาความสุขความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามีเหตุการณ์ที่จะมาทำให้ ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้<ม>คือเวลาที่ร่างกายแก่ชราเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไปผู้ที่ได้ศึกษา<ม>อลิยสัจสี่ก็รู้ว่าวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ความตายของร่างกายความแก่ของร่างกายก็คือต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองหยุดกามตัญหาหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเปลี่ยนมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการฝึกสมาธินี่เองจเจริญสติพุทธโธพุทธโธ หรือดูลมหายใจเข้าออก<ม>แล้วแต่จะถนัดจะชอบวิธีไหน<ม>ก็ใช้วิธีนั้นไป<ม>พอใจสงบจากการเจริญสติ<ม>ก็จะเกิดนัติสันติพลังสุขขังขึ้นมามมคือความสุขทื่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง<ม>ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมา นัตติสันติพลังสุขขังแปลว่าความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เองดังนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็รู้ว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่ mm. ต้องมาเจริญสติ mm. ต้องมาปลีกวิเวก mm. ต้องมาถือศีลแปดกัน mm. เพื่อหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนั่นเองศีลแปดนี้เป็นเหมือนอรั้วกัน้นการหาความสุข ไม่ให้ใจไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดเพาะเช่นศีลข้อสามของศีลแปดก็คือไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันด้วยการเสษเมถุนเนื่ อ, อเสษกามกัน อ, อันนี้ภาษาปัจจุบันก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันนั่นเอง ไม่ให้หาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ให้นอนคนเดียวให้นอนเพื่อพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นไม่ให้นอนเพื่อหาความสุขจากการหลับนอนแม้แต่การนอนก็ไม่ให้นอนบนเตียงบนผูกหนาๆที่มันสุกมันสบายมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆเพื่อมันจะได้ไม่สุกไม่สบายจะได้นอนไม่มาก นอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย<ม>เวลาที่ร่างกายเหน็ดหนื่อยเวลาที่ร่างกายง่วงนอนนี้พ<ม>ื้นจะแข็งยังไงก็นอนหลับได้อย่างสบาย<ม>แล้วเวลาได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้ว<ม>ก็จะลุกขึ้นมาทันทีเวลาตื่น<ม>ก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย<ม>แต่ถ้านอนบนผูกหนาหนาที่มันสุกมันสบาย เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังจะไม่อยากรุบขึ้นมาเพราะมันสบายอยากจะนอนต่ อ, อก็เลยนอนเพิ่มขึ้นไปหาความสุขจากการหลับนอนชินแปดก็จะห้ามไม่ให้ทาอย่างนี้ให้เอาเวลามาหาความสุขจากการมานั่งสมาธิดีกว่า นี่คือหน้าที่ของศีล8แปดสงข้อสามไม่ให้หาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์กันข้อแปดก็ไม่ให้นอนบนหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกันหนาให้มานอนบนเตียงเล็กๆพื้นแข็ง จะได้ไม่นอนมากเกินไปแล้วก็ห <out> ้ามหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้ร <out> ับประทานอาหารแบบรับประทานยามีเวลาของมันไม่ให้รับประทานตามความอยากสาหรับผู้ปฏิบัติก็มีสองระดับรับประทานสองมื้อในเบื้องต้นก็ให้รับประทานสองมื้อก่อนแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวัน หลังจากเที่ยงวันแล้วก็พอเรื่องการรับประทานอาหารนี้ไม่ต้องรับประทานแล้วร่างกายได้อาหารพอเพียงอยู่ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ไม่ตายรับประกันได้นี่ขั้นขั้นแรกของผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นรักษาศีลแบบใหม่ๆแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมได้มีความสงบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะ เี่ยจากการรับประทานสองมือ้อเหลือมื้อเดียวก็พ อ, อเพราะว่าการรับประทานมื้อเดียวมันก็จะได้ไม่เสียเวลามากมจะได้เอาเวลาที่มาเสียกับการรับประทานอาหารสองมื้อนี้ไปปฏิบัติสมาธิต่อไปปฏิบัติธําไปเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อ น, นั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินะ เมื่อปฏิบัติไปได้พบกับความสุขจากความสงบมากขึ้นเท่าไหร่การจะหาความสุขจากทางร่างกายก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆตอนต้นก็กินข้าวสองมือก่อนต่อไปก็จะลดเหนือเพียงมือเดียวแลวในช่วงปฏิบัติบางช่วงก็อาจจะงดกินอาหารสักสองสามวันก็ได้ พอจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการกินอาหารให้เสียเวลาของการปฏิบัติแล้วก็การไม่กินอาหารนี้ก็จะช่วยกระตุ้นการปฏิบัติเพราะเวลาไม่กินอาหารนี้มันจะหิวหิวทั้งกายหิวทั้งใจหิวกายนี้พอทนได้แต่หิวใจนี้จะทรมาน พอหิวใจก็ต้องถูกก็ต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติสมาธินั่นเองให้ทําใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาทําใจให้สงบแล้วความหิวทางใจก็จะหายไปการอดทาหารนี้เป็นวิธีกระตุ้นการปฏิบัติถ้ากินอาหารตามปกตินี้มันไม่มีความหิวทางใจปรากฏขึ้นเพราะร่างกายมันอิ่มมันก็เลยทําให้ไม่ต้องมา ิบัตเนียมันก็เลยอยากจะนอนมากกว่าเวลากินอาหารอิบแล้วที่หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะจะนั่งสมาธิก็เหาอาสักดร์สงบขำจะเดินจงกรมก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงแต่เวลาอัทาหารนี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งความง่วงนอนไม่มีมีแต่ความหิวทางใจและทางกาย ที่จะคอยกระตุ้นให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาที่จะกระตุ้นให้ต้องรีบไปปฏิบัติต้องนั่งสมาธิต้องทำใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าไม่ทำใจให้สงบปล่อยให้ใจคิดมันก็จะคิดแต่เรื่องอาหารนั่นแหละคิดแล้วก็น้ำลายไหลคิดแล้วก็หิวโหยขึ้นมาก็เลยต้องปฏิบัตินี่วิธีที่จะเร่งความเพียรวิธีหนึ่ง สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าการปฏิบัติไม่คืบหน้าก็ลองมาอดอาหารดู อ, อดครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วแต่เพราะเวลาอดไปแล้วมันเห็นผลมันเห็นผลดีเห็นความคืบหน้าของการปฏิบัติเห็นี้เห็นความสงบที่มีความสงบมากขึ้นยาวขึ้นนานขึ้นง่ายขึ้นอ มันก็เลยทำให้ยอมอดอดทางทางร่างกายยอมอดอาหารยอมทุกทางร่างกายเพื่อความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนี้มีคุณค่ามาหาศาลกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ประเดียวประดาวกินมื้อเช้านี้แล้วตอนนี้เริ่มหิวกันอีกแล้วเริ่มทุกข์กันอีกแล้ว เริ่มอยากกินกันอีกแล้วแต่ถ้ามีความสุขทางใจแล้วความหิวทางร่างกายนี้จะไม่มีปัญหาใจจะไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้านี่อดถึงสี่สิบเก้าวันได้เพราะพระพุทธเจ้าสามารถเข้าสมาธิได้เวลาใจเวลาเวลาใจหิวก็เข้าสมาธิทำใจให้สงบได้ ก็เลยไม่หิวแต่การใช้สมาธินี้ยังไม่ทําให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้ยังไม่ฆ่ากิเลสตัณหาได้ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงทรมารร่างกาย49วันนี้ mm hmm. ก็ใช้สมาธิแต่สมาธินี้เพียงแต่ไปกดกิเลสไว้เท่านั้นเองกดกิเลสตัณหาไว้เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายัางไม่รู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลสตัณหา ก็เลยไม่ได้ไปสนใจกับตัวนั้นสนใจคิดว่าความทุกข์อยู่ที่ร่างกายต้องเราชนะความทุกข์ของร่างกายให้ได้ด้วยการยอมตายด้วยการยอ ม, ยดยย อ, มอดอาหารให้มันร่างกายมันให้มันหายทุกขจากการออจากกับจากความหิวของร่างกาย แต่อดมาถึงสี่เก้าวันความทุกข์ของใจมันก็ยังไม่หายความทุกข์ของใจมันอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันไม่หายมันก็เลยยังกลัวตายอยู่ยังกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงเริ่มเห็นแล้วว่าการอดอาหารเพียงอย่างเดียวนี้โดยที่ไม่ได้เจริญปัญญา ไม่แยกแยะหาเหตุว่าอะไรทำให้ใจทุกข์และวิธีใดจะทาให้ใจหายทุกข์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์หายไปจากใจได้แล้วก็เลยตัดสินว่าจะต้องเลิอกอดอาหารแล้วเพราะถ้าอดต่อไปเดี๋ยวก็ต้องตายอย่างแน่นอนตายไปแต่ความทุกข์ใจมันไม่ตายไปกับความตายของร่างกาย ความทุกข์ใจมันยังอยู่ในใจต่อไปเพราะเหตุตัวที่ทำให้ความทุกข์ใจนี้มันไม่ได้รับการกำจัดคือความอยากต่างๆยังมีอยู่ภายในใจอยู่อันนี้คือพูดถึงเรื่องการอดอาหารถ้าอดอาหารแล้วอยู่เฉยๆนี้เพื่อหวังว่าจะเจริญก้าวหน้าทางธรรมนี้อย่าไปอดมันไม่เจริญ สมาธิก็ไม่เจริญปัญญาก็ไม่เจริญถ้าอดเฉยๆถ้าอดเฉยๆทำให้เจริญในธรรมพวกขอทานนี้ก็จะต้องมีธรรมมากกว่าพวกคนที่กินคนที่กินเยอะๆคนกินเยอะๆได้อะไรได้แต่เบาหวานได้แต่ไขมันอุดตันเท่านั้นที่ได้แต่ความเจริญทางจิตใจนี้ไม่ได้อดอทหารเฉยๆก็ไม่เจริญ กินอาหารเยอะๆก็ไม่เจริญเป็น แ, แต่ว่าการอดอาหารนี้เป็นเครื่องกระตุ้นความเพลินทนั้นเองทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้เวลาหิวนี่มันอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอดอาหารนี่มันจะหิว หิวทางกายนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับหิวทางใจเนี่ยโอ๊ยภาพอาหารต่างๆไม่รู้มันมาจากไหนไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนนะมาเป็นฉากๆเลยอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้โอ๊ยน้ำลายน้ำลายไหลเลยแล้วก็ทรมานพอตอนนั้นรู้แล้วว่าต้องหยุดมันต้องรีบเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ เดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิพอหยุดความคิดถึงเรื่องอาหารปั๊บเนี่ยใจก็หายทุกข์ขึ้นมาแล้วพอนั่งสมาธิใจสงบใจก็อิ่มขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกินอาหารทางร่างกายใจกับอิ่มมากกว่าความอิ่มทางร่างกายที่ได้รับจากการรับประทานอาหารความอิ่มของใจนี้เลยทำให้ไม่เดือดร้อนกับความหิวของทางร่างกาย นี่คือเรื่องของเรื่องของการอดอาหารเรื่องของการรับประทานอาหารที่จะช่วยผู้ปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติทำกันนั่นเองเบื้องต้นถ้ายังมีกำลังไม่มากพอก็เอาสินแปดก่อนถือถือสองมื้อไปก่อนไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปก่อนแต่รับประทานเช้ามื้อเช้ากับมื้อกลางวัน ต่อมาถ้าได้ปฏิบัติแล้วได้ผลมากขึ้นจิตสงบมากขึ้นจิตจะมีความอิ่มมากขึ้นก็จะรู้สึกว่ากินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนออแล้วต่อมาก็เห็นว่าถึงแม้กินมื้อเดียวมันก็ยังทำให้ม่วงนอนได้ทำให้เกียรติคานได้เพราะเวลากินอิ่มแล้วนี่หมมันคิดแต่หาหมอนอย่างเดียว จะให้เดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดินจะให้นั่งสมาธิก็สับประ ก, นะก็เลยลองอดอาหารดูดีกว่าะตอนต้นอาจจะอดวันหนึ่งวันก่อนอแล้วก็ต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันเพราะอดแล้วมันเห็นความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัตินั่นเองเพอเวลาอดอาหารนี้ถ้าเปรียบเป็นเหมือนนักมวยก็ขึ้นเวทีแล้ว เวลาขึ้นเวทีแล้วก็ต้องเจอคู่ต่อสู้นี้จะไปยืนเฉยๆไปเดินเล่นแบบเดินชอปปิ้งไม่ได้แล้วนะมันจะต้องมีสติระมัดระวังคอยรับกับการบุกรุกของคู่ต่อสู้คือกิเลสตัณหาของใจก็เลยต้องตั้งกาดขึ้นมาต้องตั้งสติตั้งปัญญาขึ้นมาต้องสร้างสมาธิขึ้นมาเนีย่ยมันถูกบังคับในตัวเวลาที่เรา กดดันจิตใจด้วยวิธีการต่างๆเช่นการอดอาหารนี่ก็เป็นวิธีกดดันอย่างหนึ่งบางท่านก็ใช้วิธีถือสามีรยาบทคือไม่นอนอมันก็กดดันเพราะเวลามันว่ง่งมันก็ต้องปฏิบัติมันถึงจะหายว่ว ง, งั้นเดี๋ยวมันอยากจะนอนอยากจะเอนหลังให้ได้มันถูกบังคับเหมือนเหมือนถูก มือนถูกส่งขึ้นเวทีเนะี่ยพร้อมไม่พร้อมโค้ดบอกมึงขึ้นไปเถอดถ้ามึงขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงจะได้เรียนรู้เองถ้ามึงตายกับชกบกระสอบทรายนี่มันไม่เหมือนกับชกกับคู่ต่อสู้ที่แท้จริงนี mm ่ hmm. นักปฏิบัติเขาถึงมีอุบายวิธีต่างๆ mm hmm. เพื่อกดดันจิตใจให้สู้ให้ปฏิบัต mm ิ hmm. ถ้าให้มันอยู่กับความสุขความสบายมันก็จะขี้เกียจ มันก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้ขึ้นเวทีนั่นเอง <C' an> บางท่านก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวถ้าอยู่ที่ปลอดภัยนี่นั่งสมาธิแล้วหลับครอบครอบ <C' an> คีดว่าเข้าฌานกั้นนู้นขันนี้โอ้วันนี้นั่งได้ต้องชั่วโมงสองชั่วโมงแต่คอพับเนี่ยไม่รู้หายไปไหนในตอนนั้นสองชั่วโมง <C' an> พราตื่นขึ้นมาทิ้งเลยหัวขึ้นมาโอ้ดูนาฬิกาโอ้วันนี้นั่งได้นานนะเกิ๋ <c oughs> <c oughs> อ น, นี้ไม่ใช่สมาธินะถ้าสมาธินี่มันต้องรู้ตลอดเวลารู้ตั้งแต่ตอนที่ไม่สงบรู้ตั้งรู้เวลาที่มันสงบเห็นความแตกต่างกั น, วนเวลาที่มันสงบไม่สงบมันเป็นยังไอย่าง <c oughs> ถ้าพวกที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนเนี่ย ก็ต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่<ม>ไปนั่งสมาธิตามป่าช้า<ม>หรือไปอยู่ตามตามป่าที่มีสัตว์ร้ายเนี่ย<ม>ในปฏิปทาหนังสือที่หลวงตาเขีย น, นยครูบาอาจารย์บางลูกก็ชอบไปนั่งสมาธิแถวบริเวณที่มีรอยเท้าเสือจะมีมเห็นรอยเท้าเสือก็รู้ว่าเนี่ยเสือมันต้องเดินผ่านมาแถวนี้<ม><ม>เวลาไปนั่งแล้วใจมันจะรู้สึกไม่ง่วงเลย มันจะรู้สึกตื่นตัวคอยระวังอยู่ทุกเวลาว่ามันจะมาหรือเปล่ามันจะมาหรื อ, ร อ, อยังบางท่านก็ไปนั่งที่หน้าผาเลย<ม>ถ้าหัวสับประงอก็ทิ่มลงตกผาไปเลยตกหน้าผาไปเลย<ม>นี่คือมาตรการกดดันจิตใจถ้าญาติโยมปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่คืบหน้านี่ก็แสดงว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วทำได้เท่านี้แล้ว ถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่านี้นี่ต้องหามาตรการมามากดดันมันเช่นการอดอาหารถ้าเราชอบถูกจริต ก, กับเราล้วก็ใช้การอดอาหารถ้าเราชอบเนสัตชิกเนี่ยือสามอิริยาบทเราก็ลองเนสัตชิกดูการการใช้มาตรการเหล่านี้เราสามารถกําหนดเวลาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทำไปตลอดอ เสนา จ, จะกำหนดว่าจะลองอดอาหารนัก3าวันดูะจะลองในสัตว์ทิกสักสองคืนหรือหนึ่งคืนดูไม่นอนสักหนึ่งคืนดูอ ะ, อะไรทำนองนี้ไปก่อนอกำหนดได้แล้วถ้าดีก็อาจจะเพิ่มมาตรการเหล่านี้บางท่านก็ต้องไปอยู่ตามป่าชา้าเวลาไปอยู่ป่าช้านี่รู้สึกไม่ง่วงเลยรู้สึกขยันภาวนาเพราะกลัวผีกัน ถ้าไม่ภาวนามันจิตมันจะคิดปรุงแต่งกา ร, กา ร, ราาการภาวนาการปฏิบัตินี้เพื่อมาหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าอยู่ที่ปลอดภัยมันก็จะคิดหาความสุขเดี๋ยวจะดูดูไอ้นั่นฟังให้นี่เดี๋ยวจะดื่มไอ้นั่นกินให้ น, น, นี่มันก็จะทำให้ติดอยู่กับกามฉันทะนิวรณ์คือกามฉันทะ ทำไม้ไม่สามารถภาวนาได้แต่พอไปอยู่ที่หน้ากลัวนี่มันจะคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้มันจะคิดแต่เรื่องผีอย่างเดียวพอคิดถึงเรื่องผีใจมันก็กลัวขึ้นมาเนยแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาระงงับได้นอกจากการภาวนาคือการเจริญสติเช่นพุทธานุสติพอเริ่มกลัวปั๊บนี่เริ่มคิดถึงผีปับ๊บรีบท่องพุทโธไปเลยะ แลวสวดอิติปิโสไปเลยอย่าหยุดถ้าพูดโทรไปสวดอิติปิโสไปเดี๋ยวใจก็ลืมเรื่องผีอพอใจสงบเย็นใจก็ไม่คิดถึงผีอีกต่อไปก็เลยรู้ว่าผีผีมันไม่มีผีที่มันหลอกมันอยู่ในใจเราเองอผีจริงเขาไม่มีวะเขาไม่มีเวลามาหลอกเราหรอกผีจริงก็คือพวกดวงวิญ ญ, ญาณต่างๆเนี่ย เขาก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาเวลาเขาตายแล้วเขาก็ไปไปเกิดตามภพต่างๆของเขาอไอ้ผีที่มาคอยหลอกเรานี้ก็คือใจของเราเองนี่แหละที่คอยคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆทางตอนนี้ไม่คิดปรุงแต่งหลยอยู่ตรง น, นี้คนเยอะแยะผีหายหมดเลยผีไม่เข้ามาเลยแต่คืนนี้เรามานั่งอยู่คนเดียวดูเนี่ยเดี๋ยวผีตามมาละ มันต่อจากความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเองถ้าเราไปภาวนาแล้วเราจะรู้เราจะรู้ว่าตัวที่เป็นผีตัวที่สร้างผีขึ้นมาก็คือความคิดปรุงแต่งของเรานี่นเอง<ม>แล้วตัวที่จะฆ่าผีก็คือตัวสติของเรานี่น เ, <ม>เราก็ภาวนาพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไป<ม>เดี๋ยวพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องผีปัผีมันก็หายไป<ม>ใจก็สงบเย็นสบายขึ้นมา งานนี้แหละคือเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะกระตุ้นให้การปฏิบัติมันคืบหน้าถ้าเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่ามันติดอยู่กับที่นี่เราต้องหาอุบายต่างๆขึ้นมานะบางท่านก็ต้องย้ายที่อยู่อยู่ที่นี่มันชินมันติดกับเรื่องนั้นติดกับเรื่องนี้ติดกับสิ่งนั้นติดกับสิ่งนี้ก็ลองไปอยู่ที่มันไม่มี เรื่องราวต่างๆให้ติดไปเปรีกวิเวกเช่นบางท่านปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ยังเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มันก็คอยฉุดคอยดึงคอยลั่งเราไว้ไม่ให้ได้ปฏิบัติมากถ้าที่กวนลองไปเปลี่ยนไปปรีกวิเวกตามวัดที่เขาจัดที่ให้เราไป เ, าเก็บตัวดูซิที่เรียกว่าเอซีสังวร เขาจะให้อยู่คนเดียวไม่ให้ต้องมายุ่งกับใครไม่ต้องมาทํากับข้าวในโรงครัวไม่ต้องมาทําอะไรทั้งนั้นเจ้าส่งอาหารให้ด้วยบางวัดมันก็จะมีคนจัดอาหารส่งให้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องมาไหว้พระสวดมนต์ให้ภาวนาอย่างเดียวให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา พอเราไปอยู่คนเดียวแล้วที่นี้มันก็ไม่มีอะไรมาคอยดึงเราแล้วนอกจากใจเรายังไปคิดถึงมันเท่านั้นเองเราก็ต้องห้ามมันด้วยสติต้องพยันยันบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอยู่ไม่ได้อยู่ได้ปั๊บเดียเด๋ยวเดี๋ยวทนไม่ไหวแล้ว พอคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงขนมนมเนยคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงทีวีคิดถึงอะไรขึ้นมามันก็เกิดความอยากขึ้นมาเราเกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทุกทรมานใจก็เกิดขึ้นมาจนในที่สุดทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องลากลับไปอันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ยังไม่สามารถควบคุม ความคิดของตนได้ยังไม่สามารถจเจริญสติได้อย่างสม่าเสมอถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้หรือถ้าอยู่ก็อยู่แบบมีอย่างอื่นมาเป็นเพื่อนเปิดมือถือบ้างโทรคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างไลน์กับคนนั่นคนนี้บ้างดูเพจนู้นเพจนี้บ้างถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับไม่ได้ไปปีกวิเวกเขาก็ยัง ย่งอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นั่นเองะนถึงแม้จะไปปีกเว่ก็ต้องรู้ว่าไปปีกเว่จริงหรือปีกเว่ยปลอมถ้าไปปีกเว่ยปลอมก็คือยังเอากาแฟเอาขนมที่ชอบกินไปเอาเครื่องดื่มที่ชอบดื่มไปเอามือถือไปเอาไวไฟไปเอาอะไรไปเพื่อที่จะได้ ด, นน ด, ดูนู่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่ดื่มนั่นกินนี่ไปถ้าอย่างนี้ก็เป็นการไปเปลิกวิวเวกปลอมการไปเปลิกวิวเวกจริงต้องเอาแบบพระธุดงค์ท่านไปเปลิกวิวเวกจริงท่านไปอยู่ในป่าท่านไม่มีอะไรติดตัวไปสมัยครูบาอาจารย์นี้ไม่มีมือถือไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่น้ำเปล่ า, ลาสาหรับดืม่มเท่านั้นเอง แล้วก็บาทไว้สำหรับบินธบานกินอาหารวันละมือ้อไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสของป่าของนกของอะไรเท่านั้นเองที่ไม่มากระตุ้นกิเลสไม่มากระตุ้นใจให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความอยากต่างๆขึ้นมานั่นแหละคือการเปกวิเวกจริงต้องเีกวิเวกแบบนั้นนะ ถ้าเราไปปีกวิเวกไม่ได้อยู่ในป่าแต่ไปอยู่ในวัดก็ควรจะให้มันเป็นวิเวกจริงอย่ามีอะไรมาให้เรายุ่งเกี่ยวด้วยไปตัวเปล่าๆเอาเท่าที่ของจำเป็นไปของใช้จำเป็นที่ต้องใช้กับร่างกายเช่นถ้าต้องมียาก็้ายาไปกินใช้สบู่ใช้ยาซีฟันแปรงซีฟันอะไรท่านนี้ก็พอ อย่าไปมีอะไรมาฆ่าเวลาเพราะมันเป็นเป็นการฆ่าธรรมเป็นการไม่ได้เป็นการฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสก็คือต้องไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาให้ใจได้เสพได้สัมผัสให้ใจอยู่กับความว่างแล้วก็ใช้สติสู้กับกิเลสความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆถ้าสติมีกำลังมากกว่ากิเลส กิเลสก็จะสงบตัวลงพอกิเลสสงบตัวลงใจก็เย็นใจก็จะสบายขึ้นมามีความสุขขึ้นมาตอนนั้นเราจะอยู่เป็นสุขได้จะอยู่เฉยๆได้จะรู้สึกมีความสุขโอ้ความสุขนี้เองความสงบนี้เองที่เป็นความสุขที่แท้จริงนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เราอาจจะต้องอ เพิ่มมาตรการต่างๆถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันติดอยู่กับที่มันไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาวิธีใหม่มาคอยกระตุน้นบังคับให้มันเข้าไปในสนามให้ได้บังคับให้มันขึ้นเวทีชกให้ได้ใจมันชอบหลีกเวทีมันไม่ค่าชอบขึ้นเวทีเท่าไหร่ เวลาจะให้มาอยู่ปีกเวกสาวมานี้โอ้ยนั่งคิดแล้วคิดอีกกว่าจะมาได้นี่แหมต้องเตรียมการเตรียมอะไรหลากหลายไม่เหมือนเวลาไปเที่ยวนี่ปั๊บเดียวโทรมาปั๊บเดียวไปได้เลยพร้อมเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือลักษณะของใจของพวกเรามันเป็นอย่างนี้มันยังรักรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอยู่ มันยังรักการเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันยังติดกับกาม m a ตัณหาอยู่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่มันเลยต้องมาทุกข์เวลาที่มีเหตุการณ์ที่มากระทบกับร่างกายเช่นโควิด19ตอนนี้อมีโควิด19ขึ้นมาที่นี้ก็ทุกข์กันละสิเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานั่นเอง แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติไปถึงขั้นที่เราสามารถใช้ความสงบมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราทีนี้ตอนนั้นเราจะไม่เดือดร้อน้ะมีโควิดสิบเก้าหรือไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราสามารถใช้สติพุโทโธพุโทโธเจริญสติให้จิตสงบ พ, พอจิตสงบแล้วใจเราก็เย็นใจเราก็สบาย ต่เราก็จะได้เจอรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเจอนาฏิสันติพลังสุขขังอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติกันถ้าเราต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเราถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวเราก็กลับมาหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่ เหมือนกับเด็กทาลกที่กำลังเกิดกันอยู่ทุกวันนี้พวกนี้เขาก็ตายมาแล้วตายมาแล้วแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในอบายบ้างในสวรรค์บ้างพอหมดวาระของบุญของบาปก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็มาหาความสุขจากร่างกายต่อไปมาหาความสุขโดยใช้ร่างกายต่อไปไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่กันมันก็จะเดี๋ยวก็ต้องต่อไปก็ต้องไปเจอความแก่เจอโรคระบาดเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีจบไม่มีสิน้นเพราะจิตมันไม่มีวันตายจิตมันพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายอใหม่มันก็มาหาความสุขจากร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์ในตอนปลายของชีวิตมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ทุกข์ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนตายตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายทุกทก่ทุกวันทุกเพราะความอยากพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เสียใจบ้างโกรธบ้างน้อยใจบ้างฆ่าตัวตายบ้าง ทุกทุกวันเนะี่ยความทุกที่มที่ได้มาจากการมาเกิดนั้นมีอยู่ทุกวันเพราะวาความอยากมันทำงานทุกวันนี้ทำตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ความอยากมันก็เริ่มออกมาอยากนูน่นอยากนี่ขึ้นมาแล้วก็ต้องคอยหาให้มันอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาไหนสะดุดหาไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาแทนที่ การมาเกิดเป็นอย่างนี้กว่าจะได้ความสุขแต่ละครั้งเหนื่อยกว่าจะได้ไปเที่ยวแต่ละครั้งนี้ต้องทํางานเก็บเงินไว้กี่เดือนนถึงจะได้ไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งเวลาทํางานสุขหรือทุกข์อ่ะมีใครอยากจะไปทํางานยไม่มีใครอยากทะอยากที่ต้องไปทําเพราะว่าจะได้เงินมานั่นเองจะได้ เ, เงินมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายก็เลยยอมทนทุกข์กัน แต่ถ้าให้เลือกได้ว่าระหว่างทํางานกับไม่ทํางานนี้จะเอาอะไรออก็ไม่ทํางานดีกว่าถ้าได้เงินเท่ากันนี้ถ้าได้เงินเดือนเท่ากันจะเอาจะทํางานดีหรือไม่ทํางานดีก็ไม่ทําดีกว่าเพราะทําแล้วมันมีทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจก็เฮ็เฮวมีเรื่องกับคนนั่นมีเรื่องกับคนนี้ มีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้มีปัญหากับสิ่ง น, นั้นมีปัญหากับสิ่ง น, นี้มาให้คอยต้องมาคอยแก้คอยคอยคอยดับมันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบ <Yeah. S 1> นี่แหละคือโทษของการมาเกิดเกิจะต้องเจอความทุกข์กันแทบทุกวันเลย <Yeah. S 1> ทุกมากทุกน้อยท่านเองจะไปเจอมากๆ ก, ก็ช่วงที่จะ ทุกแบบชนิดหนักๆเช่นโรคโรคภัยไข้เจ็บเนี่นยญายติโ <Yeah. S 1> ย, ยมบางคนนี้เขามาเล่าว่าตอนนี้เขาเจอโรคมะเร็งนล้ <Yeah. S 1> านดูซด้ว่าทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยพอ <Yeah. S 1> เ, เจอโรคมะเร็งขึ้นมานี้ <Yeah. S 1> ไม่มีใครอยากจะเจอกัน <Yeah. S 1> แต่ก็ไม่มีใครที่จะสั่งหรือห้ามมันได้ถ้าจะต้องเจอ <Yeah. S 1> เพราะมันนี่เป็นผลของการมาเกิด มาเกิดแล้วทุกคนจะต้องมาเจอเรื่องราวเหล่านี้กันมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมในอดีตนคนที่มีบุญมากอาจจะทุกข์น้อยกว่ามีเรื่องที่จะทําให้ทุกข์น้อยกว่าคนที่มีบาปกรรมมากแต่ก็มีทุกข์เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงถึงจิตใจของพวกเราทุกคนว่า จิตใจของพวกเรานี้ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเรายังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายกันอยู่เรายังมีการมาตัญหากันอยู่ยังมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกิจลดผลทพะกันอยู่จึงทำให้เราต้องมีร่างกายกันแล้วต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเวลาที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็ทุกข์อีก เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเวลาร่างกายเป็นอามพะกรรมภา พ, ก, าาพาก็ทุกเวลาร่างกายพิกลพิการก็ทุก<ม>ถ้าตาบได้เรายังอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่<ม>เราก็จะต้องเจอกับความทุกขเหล่านี้ต่อไป<ม>แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน<ม>หาความสุขทางจิตใจหาความสุขจากการเจริญสติ หาความสุขจากการรักษาศีลละเว้นจากการเสพการชนิดต่างๆด้วยการถือศีลแปดด้วยการไปปีกวิเวกหาที่สงบเพื่อจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆให้ได้พอหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นนัตติสันติปาลังสุขขัง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงออพอเราได้พบกับความสุขแบบนี้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอต่อไปเราก็จะสามารถสัมผัสกับความสุขแบบนี้ได้อย่างตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมด เบื้องต้นก็ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวไปก่อนแบบสมาธิก่อนแล้วต่อไปเราก็ทำให้มันกลายเป็นความสุขแบบถาวรด้วยการใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆ 1> <1> สอนใจว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันนอกจากจะให้ความสุขก็แล้วแล้วมันมีความทุกซ่อนอยู่เป็นเหมือนยาขมเครือบน้าตาลหวานตอนต้นเนาะเดี๋ยวก็ต้องมาขมตอนปลาย ได้อะไรมาก็ดีใจกันแต่งงานกันโอ้ดีออกดีใจเดี๋ยวไม่ทะเรายตีกันแล้วทนะเลาะกันแล้วนะ้องหอมน้องให้วิ่งกลับหาพ่อหาแม่กันนั่นแหละคือความสุขที่เราได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเราต้องใช้ปัญญาหยุดมันถ้าเราหยุดความอยากได้นะความสงบที่ถูกความอยากมัน ทำลายมันก็จะกลับคืนมาะต่อไปถ้าความอยากถูกทำลายไปหมดใจก็จะสงบตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ใจอยู่ข้างนอกอยู่อย่างนี้ตอนนี้เนตอนนี้พวกเราใจเราสบายเพราะอะไรเพราะไม่มีความอยากะลยแต่มันเดี๋ยวก็อยากแล้วเดี๋ยวพอคิดถึงขนมเดี๋ยวก็อยากกินกันละ<ม>เดี๋ยวก็คิดถึงอาหารเย็น อันนี้ไม่ได้ถือสิบแปดเดี๋ยวก็คิดถึงอาหารเย็นนะก็หิวขึ้นมาอยากกินขึ้นมาะถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็จะสงบจะเฉยไปตลอดเวลาเป็นอุเบกขาไปตลอดเวลาสักแต่ว่ารู้ไปร่างกายหิวก็รู้ว่าเป็นเรื่องของร่างกายไปถึงเวลาก็ให้มันกินถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องให้มันกินไม่ตายหรอกถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ จะกินแล้วไม่กินถึงเวลามันจะตายมันก็ต้ตายอยู่ดีนะแต่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นขอ้นบนะนี่แหละคือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านะที่พวกเราพยายามปฏิบัติกันนะปฏิบัติได้มากได้น้อยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆพนะวเวลาได้ยินได้ฟังทำแล้วมันจ ะ, จะกระตุ้นศรัทธาให้ ใ ห, ให้เกิดมากขึ้นกรต้นวิริยะความภาคเพมิให้มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนต้นไม้น่ะพอลดน้ำสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มันก็มันก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมาใบที่มันเหี่ยวมันเฉามันก็เต่ตงตึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักสองสาวันไม่ได้ลดน้ําเดี๋ยวมันก็เฉาอีกใจของนักปฏิบัติก็อย่างนี้นะนเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนได้น้ํา ในน้านได้ลดแห่งธรรมทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานกระตือรือร้นมีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปแต่หลังจากฟังธรรมไปได้สัก3ามสี่วันสี่ห้าวันก็เริ่มเฉาขึ้นมาละเริ่มเฉื่อยขึ้นมาละก็ต้องฟังธรรมใหม่ยั้นงตอนนี้เราต้องอย่าทอดทิ้งการฟังธรรมยิ่งยุคนี้เราโชคดีเรามีสื่อ เราสามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลาทุกสถานที่มันอยู่ในมือถือเราแล้ ว, ลวมันอยู่ในกำรร ม, มือของเรา<ม>แต่เรากลับไม่ฟังกันเพราะใจมันไม่ชอบฟัง<ม>หรือว่ากิเลสมันไม่ชอบฟังมันก็เลยคอยหลอกให้เราไปฟังอย่างอื่นแทน ม, มันก็เลยไม่ได้ฟังธรรมกันก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมกัน<ม><ม>ถ้าอยากจะมีกาลังใจพยายามฟังธรรมอยู่เรื่อย อย่าทิ้ง <Yeah. S 2> ยิ่งสมัยนี้ฟังได้ทุกวัน <Yeah. S 2> ฟังมันไปทุกวันทุกวัน uh huh. ถึงแม้จะซ้ำก็ไม่เป็นไรเพราะยิ่งซ้ายิงย่งทำให้เราจดจำได้ดีขึ้น uh huh. เข้าใจได้ดีขึ้นเ uh huh. พราะทานี้ uh huh. บางทีฟังหนเดียวจะไม่เข้าใจบา uh huh. งอาจจะต้องฟังหลายๆครั้งจนกระทั่งร้องอ๋ออ๋อฟ อ, องมาต้องร้อยครั้งขึ้มา อ, อ๋อตอนนี้เอง uh huh. uh huh. uh huh. นี่คือเรื่องราวของธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเสรฐที่นำามามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปุราปิริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกะปติอิชิตังปะที่ตังตุมหังคิป้เมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะราโสยะถามานิโชติบาบาโสยะ ทัาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตผวะตอันตาลาโยสุขีทีคายุโกผวะอะพิวาทานสีริษะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวโนสุขังอาลา อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่จะเพิ่มผู้ติดตามที่ที่มาที่นี้ด้วยไหมจะได้เพิ่มยอดได้เมื่อก่อนก็นับเนี่ยใช่ไหมไ ด, ได้ก็เขามาเนี่ยเดี๋ยวให้คุณแก้วนับก็ได้ ไม่นบทีมงานน ะ, ะทางบ้านเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กเท่าไหร่กรรมนรัมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะทางเฟซบุ๊กวันนี้มี462ท่านเจ้าค่ะ YouTube มี500เป็น259ท่านเจ้าค่ะวิทยุ6ท่านซูม6ท่านและก็ผู้ ผู้ ฟ, ผฟังที่นี่สามสิบท่านเจ้าค่ะรวมเป็นทั้งหมดเจ็ดรอยหสิบสามท่านเจ้าค่ะใครมีคำถามกา็ส่งคำถามเข้ามาได้นะถ้าอยากจะถามหรือข้ามาถามก็ได้นะมาถามที่ไมโครโฟนนี่ ม, นมีคำถามจากประเทศลาวเจ้าค่ ะ, ะกราบนามัสการค่ะพระอาจารย์ ก่อนอื่นต้องขออภัยเพราะหนูพิมพ์ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะหนูเป็นคนลาวแต่อยากกราบเรียนถามธรรมะกับพระอาจารย์เพราะหนูไม่กล้าเข้าไปถามในวิดีโอคอเพราะคนเยอะก็เลยส่งข้อความมากราบเรียนถามพระอาจารย์คือสามปีกว่าก่อนหน้านี้หนูทำงานในบริษัทที่ลาวหนูยังดื่มเหล้าบางเวลา ที่สังสรรค์กับเพื่อนและไม่ได้ถือศีลแค่ไหว้พระเวลาก่อนนอนและชอบถวายทานมากๆ ม, มาอยู่วันนึงหนูฝันว่าเดินไปกับเพื่อนห้าหกคนและหนูมองเห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างทางองค์ใหญ่สูงประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรแล้วพระพุทธรูปก็มีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาหนูสนใจเลยหยุดมองแล้วจากนั้นพระพุทธรูปก็พูดออกมาว่าเจ้าจะบรรลุธรรม จากนั้นหนูเลยเดินเข้าไปหาพระ พ, พระพุทธรูปองค์นั้นแล้วนึกชอบอยากอยู่กับพระพุทธรูปเลยตะโกนบอกเพื่อนๆที่ยืนรอว่าพวกเองไปเถอะข้าจะอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นเพื่อนๆขอเขาก็พากันไปต่อมาไม่นานเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนไทยทำงานที่เดียวกัน สอนหนูให้สวดมนต์เช้าเย็นและถือสิลห้าหนูก็ฝึกมาเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็พาหนูมาวัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีมาฝึกกรรมฐานครั้งแรกหนูแปลกใจมากดีใจจนหลงยิ้มคนเดียวเกิดมาไม่เคยดีใจเท่านี้มาก่อนยิ้มตลอดหลังจากนั้นช่วงหยุดงานหนูก็เดินทางมาวัดนี้ตลอดมาคนเดียวเพราะที่วัดมีที่พักและยอดยมที่มาฝึกประจําก็มี จนตอนนี้หนูคุ้นเคยกับวัดมากและปฏิบัติตามแบบหลวงพ่อสอนเวลาทางานก็ฟังธรรมะเวลานอนก็ฟังจนหลับจนฟังจนติดไม่อยากสนใจกับเพื่อนอยากอยู่เงียบๆใครควรคาสอนแล้วมีความสุขจนถึงทุกวันนี้เจ้าค่ะลูกเลยคิดถึงความฝันเลยคิดไปเองว่านั่นเป็นนิมิเครื่องหมายที่ดีของลูกว่าถึงเวลาที่เราจะ ตรีจากเพื่อนปู่ทางโลกหันมาปฏิบัติธรรมะหาทางหลุดพ้นได้แล้วจึงอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าความฝันของลูกเป็นอย่างไรเจ้าคะที่ลูกคิดถูกหรือเปล่าเพราะคิดถึงความฝันลูกมีกาลังใจในการปฏิบัติว่าจะต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ชาตินี้ขอกราบขอพระคุณคะอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะ ก็เรียกว่าความฝันแบบนี้เป็นความฝันดีเป็นความฝันที่ส่งเสริมให้เราไปในทางที่ดีคือไปทางสู่มรรคผลผนิพพานดังนั้นเราก็ควรที่จะดำเนินตามที่ความฝันนั้นบอกเราคือมุ่งไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติให้มากขึ้นให้สูงขึ้นถ้าถือศีลห้าก็ลองถือศีลแปดดู แล้วก็ถ้าไปอยู่วัดก็ไปอยู่ให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นหรือปฏิบัติให้มากขึ้นนั่งสมาธิเจริญสติให้มากขึ้นศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นแล้วจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเะาาาต้องทำไปแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไป คำถามต่อไปกระดรมัสการครับผมมีปัญหาการนั่งสมาธิเวลาผมนั่งสมาธิผมชอบง่วงครับต้องแก้อย่างไรครับก็อย่างที่เทศวันนี้เนี่ยก็มีสองสาวิธีด้วยกันการอดอาหารก็ช่วยทำให้ความง่วงนอนหายไปได้แต่จิตต้องเข้มแข็งสู้กับความหิวได้ หรือการไปอยู่ป่าช้าอยู่ที่น่ากลัว<ม>ก็จะทำให้หายง่วงได้<ม>หรือถือเนสัตชิกไม่ไม่นอน ม, มันง่วงก็ให้มันหลับในอิระยาบ่นนั่งก็มันก็จะนอนไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็จะตื่นขึ้นมาปฏิบัติต่อคำถามต่อไป กระพ้าจารสุชาติอภิชาโตคือหนูอยากทราบว่าการฆ่าตัวตายเป็นไปตามเชื้อสายหรือเจ้าคะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกับเชื้อสายหรอกมันเกี่ยวกับจิตใจของเราจิตใจของเราถ้าโงา่ถ้ามีอวิชชาขอมงามันก็จะคิดไปในทางที่ผิดการฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหานี้ต้องมาฆ่ากิเลส เพราะตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดปัญหาก็คือกิเลสเพระฉนั<ม>้นต้องเข้าหาคนรู้เข้าหาคนฉลาด<ม>อย่างพระพุพะทธเจ้ธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยู่ใกล้พระพุพะทธเจ้ธรรมพระสงฆ์นี้ท่านจะสอนให้เรามาฆ่ากิเลสกันเพราะกิเลสนี้เป็นตัวสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเรามไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายที่พิกลพิการแต่อย่างใด ตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจก็คือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนี่คาถามต่อไปค่ะฌานคืออะไรการฝึกปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและก้าวหน้าจำเป็นต้องได้ฌานหรือไม่คะฌานก็คือความสงบฌานกับกับสมาธินี่ก็อันเดียวกันคือความสงบเพียงแต่ฌานท่านแบ่งเป็นหลายหลายระดับ มีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ถึงขั้นที่แปดเรียกว่าความสงบที่ละเอียดเข้าไปมากขึ้นไปตามลําดับชั้นขั้นที่หนึ่งก็สงบละเอียดน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปตามลําดับจนถึงขั้นที่แปดจนถึงขั้นที่เก้าเขาเรียกว่าสมาบัติขั้นนั้นก็ถือว่าสงบอย่างเต็มเต็มร้อย คำถามต่อการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกและเมื่อใจไปคิดอย่างอื่นก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพยายามฝึกดึงกลับให้ทันให้เร็วฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเพียงพอที่จะไปถึงขั้นนิพพานไหมคะถ้าไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็เป็นทางผ่านคือขั้นเราต้องมีความสงบก่อนต้องมีสติ ดูลมหายใจเข้าออกจนทำจิตให้สงบนิ่งจิตก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบถาวรที่เป็นนิพพานต่อไปหลังจากที่เราได้เราชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิเราก็มาศึกษาให้เกิดปัญญาพิจารณาศึกษาอริยสัจสี่ ศึกษาายลักษณะนิจังทุกขังอนัตตาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหยุดความอยากต่างๆที่ทำให้ใจของเรานี้วุ่นวาย mm. พอความอยากต่างๆได้ถูกกาจัดด้วยปัญญาแล้ว mm. ใจก็จะสงบอย่างถาวรใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาแต่ mm. ก่อนจะไปถึงขั้นปัญญาได้ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อน ต้องผ่านการเจริญสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวก่อนในเวลานั่งดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไปจนกว่าใจจะสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมามแล้วก็ทําบ่อยๆทําให้มากขึ้นจนชํานาญแล้วก็ขั้นต่อไปก็ไปเรียนเรื่องปัญญาเรื่องอริยสัจสีเรื่องไตรลักษณเพื่อเอามาทําลายความอยาก มาคอยท ำ, ยอำถามต่อไปจากคุณวิจัยชัยยงกราบนามัสการหลวงพ่อครับสาธุครับขออนุญาตกราบเรียนถามครับว่าถ้าเราถือศีลแปดเลยเวลาเที่ยงแล้วเราจะทานน้ำตาลสดได้หรือไม่ครับก็มีเศสัต์อยู่ห้าที่เรียกว่ายาแก้โรคความหิวก็คือ พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระฉันเพศสัตว์ห้าได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือน้ำผึ้งน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลแล้วก็น้ำมันแล้วก็เนยข้นเนยใสยสมัยนี้เราก็แปลเนยข้นเป็นชีสไปเนยใสยก็เป็นมัตเตอร์ไปเนยทาขนมปังไปของพวกนี้กินเพื่อไปอาจจะไป ไปเคลือบกระเพาะไม่ให้มันเป็นโรคเพระบางทีอาจจะท้องว่างแล้วเวลาหิวมันอาจจะมีน้ำกดออกมาก็กินเพื่อระงับอย่างนี้ได้อยู่ห้าชนิดด้วยกันเน้นน้ำตาลนี้ก็กินได้หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็ ด, ดื่มได้แล้วก็นอกจากนั้นก็มีน้ำผลไม้ที่ได้กรองเนื้อออกหมดแล้วแต่น้า ผลไม้นี่ต้องไม่ขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นพวกส้มพวกอมังคุดอะไรพวกเนี้มันเอามาเอามาข้นเอาน้ามาดื่มได้แต่ปั่นไม่ได้นะเพราะปั่นมันมีเนื้อปั่นสมัยนี้เขาใช้ปั่นแล้วก็เอาว่าดื่มได้มใช่มันก็กินเนื้อเข้าไปกินแล้วมันอิ่มไงไม่ต้องการให้มันอิ่มกินเพื่อบรรเทาอาขาดพลังงานคือน้ําตาล กินน้ำมันแต่ไม่ให้กินเพราะอิ่นะเดี๋ยวมันจะขี้เกียจเดี๋ยวอันเนี้ให้กินมากก็ปั่นมันสักสองสามถ้วยกินจนพุงกลางเลย <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือนกินข้าวดีๆนั่นเองมันก็อางน้ำผลไม้นี่ก็ต้องเป็นแบบ <c oughs> เป็นเป็นแาบน้ํำล้วนๆ <c oughs> ไม่มีเนื้อต้องใช้ตรองอ <c oughs> กรองเนื้อออกให้หมดแล้วก็เออ่ <c oughs> น้ำผลไม้ก็ต้องไม่ขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเชนแตงโมนี้ก็ไม่ได้ออมะพร้าวนี้ก็ไม่ได้เพราะถือว่าขนาดใหญ่ไปสับประรดนี้ก็ไม่ได้ถึงแม้สมัยนี้ก็จะมีสับประรดแบบขนาดกํำปั้นก็ยังไม่ได้เหมือนกันเราถือว่ามันอยู่เป็นพวกเดียวกันคําถามต่อไปจากคุณน้ําจิตมีสองคำถามเช้ค่ะ กาบนามัสการค่ะขอการถามสองคำถามคำถามที่หนึ่งเวลาที่เราคิดหรือติดอะไรที่ไม่ดีเช่นนึกถึงความสนุกเพลิดเพลินในเรื่องที่เราเคยชินเช่นดูหนังดูละครหรือเล่นเกมเราควรจะทําอย่างไรเจ้าคะ่ะเราก็ลบมันใช้พุทโทลบมันหรือใช้การสวดมนต์ลบมัน พอคิดถึงเรื่องไม่ดีก็สวดอ e ิติปิโสไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปแต่ต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดนะถ้าสวดแป๊บเดียวแล้วมันยังคิดอยู่ก็ต้องสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่ามันจะหยุดพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดถ้ามันยังไม่หยุดเราก็อย่าไปหยุดพุทโธคำถามที่สองนิสัยที่เราชอบคิดไม่ดีเช่นมองคนอื่นในแง่ลบ หรือตำหนิคนอื่นเราควรทำอย่างไรคะก็สอนใจว่ามันไม่ดีแล้วก็อยาาไปทำมันพยายามห้ามมันทุกครั้งที่มันคิดก็ลบมันออกไปพอเราทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไม่คิดไปในทางไม่ดีทำถามต่อไปจากคุณธนกรข้อห้ามภิกษุ ห้ามตัดต้นไม้มาจากเรื่องอะไรคะพระอาจารย์คนโบราณเขาคิดว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณเหมือนคนแต่ความจริงต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณดังนั้นการตัดต้นไม้ีนความจริงไม่ได้เป็นการทำปาณาติบาตเพียงแต่ว่าเมื่อคนชาวบ้านเขาเชื่อก็อเลยต้องทำตามความเชื่อของชาวบ้านก็เลยห้ามพระไม่ให้ไป ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้อะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวชาวบ้านก็จะม า, าตําหนิว่าพระทำปนานาติบาแล้วมาสอนให้ญาติโยมถือศีลได้ยังไงเมื่อเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีวิญญาณพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้อนุโลมตามความเชื่อของเขาคําถามต่อไปจากคุณรังสีมันมานะคืออะไรครับท่านพระอาจารย์ มานะ่าคือการถือตัวโดยเฉพาะถือว่าตนเองดีกว่าคนนั้นคนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนี้สวยกว่าคนนั้นคนนี้หล่อกว่าคนนั้นคนนี้มันจะทำให้เราหลงตัวเองเราจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราสวยกว่าเราหล่อกว่าเรา ทนจะทำให้เร า, เาไม่มีเพื่อนไม่มีความสุขแล้วต่อไปความจริงมันอาจจะเปลี่ยนได้เราเคยเก่งมันอาจจะไม่เก่งก็ได้หรือถ้าไปเจอคนที่เขาเก่งกับเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาหิบช้าเขาขึ้นมาได้อย่าไปถือตัวถือถือตามความเป็นจริงดีกว่า ความเป็นจริงคือเราพวกเราทุกคนเหมือนกันมีร่างกายจิตใจเหมือนกันร่างกายก็มีอาการสามจุดสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันส่วนสิ่งที่ต่างกันก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญบาป ท, ที่เราสร้างมาก็แล้วกันไม่ควรที่เราจะมาเอามาเป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญขอให้เรามองว่าพวกเราทุกคนนี้อยู่ในมอแกงกันเดียวกัน โมอะแกงของการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครวิเศษกว่ากันดีกว่ากันถึงแม้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะอยู่ในโมอะแกงอันนี้เป็นประธานาธิบดีก็อยู่ในโมอะแกงอันนี้เป็นดาราเป็นนางแบบก็อยู่ในโมอะแกงอันนี้เป็นขอทานเป็นอะไรคนพิกรพิการมันก็อยู่ในโมอะแกงอันเดียวกันให้มองเห็นว่าเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันดีกว่า เราาจะออยยู่ย่งมีคววามมสุขร่กันคำถามต่อไปใชค่ะถ้าเราจะปีบีเวกเพื่อฝึกภาวนาอย่างเดียวก็ไม่จําเป็นต้องไหว้พระสวดมนต์แต่เราลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนได้ไหมเจ้าค ะ, ะคือคือการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนี้ไม่ใช่อยู่ที่การกราบไหว้อยู่ที่การปฏิบัติบูบชา การปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนแต่ในเรื่องของโลกสมมตินี้เขามีความธําเนียมเวลาที่เราเจอพระพุทธรูปเรื่อเวลาเราเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ควรที่จะสแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้แต่การกราบไหว้ที่แท้จริง <_' S 2> พระพุทธเจ้บบาบอกต้องกราบไหว้ด้วยการปฏิบัติบูชาผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมผู้นั่นแหละคือผู้ที่บูชา ตถาคตดังนั้นเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะไม่ ใ, ใช่ว่าจะเอาปฏิบัติบูชาเข้าไปในโบสถ์ก็ยืนเฉยๆคนอื่นเขากร า, กาบันเราก็ไม่กราบไปกับเขาอันนี้ก็จะทําให้เรากลายคนแปลกแยกไปอาจจะกลายเป็นคนเพี้ยนไปก็ได้เพราะไม่รู้จักสังคมเราอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้จักสังคม สังคมก็คือขนมรำเนียมประเพณีต่างๆที่สังคมเขา ป, ปฏิบัติกันถ้าเราไม่ทําตามสังคมเราก็จะกลายเป็นคนแปลกไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนน่าเกลียดไปน่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคำถามต่อไปจากคำถามเดิมนะเจ้าคะและไม่จําเป็นต้องไปตระเวนทําบุญตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติทำแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแต่ถ้าจะไปบ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบางทีมีความจำเป็นเช่นบิดามารดาตายต้องไปทำบุญอุทิศให้กับบิดามารดาองไปทำได้หลวงตาท่านก็ยังทำบุญอุทิศให้มารดาของท่านทุกปีวันที่30พฤษภาทำบุญตรโลกทานนี้ก็ทาบุญให้บิดาให้มารดาและปู่ย่าตายายของท่าน อันนี้ก็ทำได้แต่ให้มันมีการละเทศะแล้วก็ไม่ให้นารบกวนการปฏิบัติ<ม>ถ้าอยู่ในช่วงที่ปฏิบัติจริงๆอยู่ในป่าเลย ก, ก็ไม่ต้องออกมามเอาให้มันสำเร็จก่อนสำเร็จแล้วค่อยออกมาจากป่าแล้วที่นี้จะท ำ, ทำบุญบ้างก็ได้ไม่ทำก็ได้ ถามต่อนะเจ้าคะพอคิดอย่างนี้แล้วมีคนทักทวงว่าชีวิตของเรายังต้องช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายจะมานั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวหรอกเพราะพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าพวกเรานี่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้านี้จํานวนมาหาศาลไม่รู้กี่พันล้านคนเพราะการการออกไปเปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้าหกปี พระพุทธเจ้าไม่ไปปีกวิเวกท่านก็จะไม่บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่สามารถมาสอนมาช่วยให้พวกเราได้ดุดพ้นจากความทุกข์ได้งฉั้นการเราไปปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกนี้เป็นเหมือนกับการไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนไปเรียนเพื่อให้จบนะพอจบแล้วเราก็ค่อยมาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปแล้วทำประโยชน์ได้มากกว่าผู้อื่นอีกคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม ทำประโยชน์ได้ก็เพียงแต่ทางร่างกาย<ม>ทางเข้าของต่างๆแต่คนไม่สามารถที่จะช่วยผู้ที่ตกทุกข์ให้หายทุกข์ได้<ม>แต่ผู้ที่มีธรรมะนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะช่วยให้คนที่ทุกข์นี้หายทุกข์ไม่ต้องกล้าตัวตายได้คำถามต่อไปเจ้ค่ะผมมีความคิดว่าเข้าพรรษายนี้จะขอเลิกกินมื้อเดียวตลอดสามเดือน ขอเริ่มกินมื้อเดียวตลอดสามเดือนแต่รักษาแค่สีห้าขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับก็การลดการกินอาหารได้มันก็ดีเพราะมันก็จะตัดกิเลสกิเลสที่ชอบหาความสุขจากการดื่มการรับประทานมากจนเกินไปก็ดีก็ทำได้ไม่ว่ากันคำถามต่อไป กราบเรียนถามท้ะอาจารย์ค่ะหนูเดินจงกรมแล้วเกิดอาการม่วงนอนมากแต่ไม่เลิกเดินเพราะยังไม่หมดเวลาจึงหยุดยืนครู่หนึ่งแล้วเดินต่อไปแต่ไม่หายม่วงแล้วอยู่ๆความม่วงก็หายไปแบบตื่นตาสว่างเลยเจ้าค่ะในขณะก้าวเท้าขวาจึงอยากเรียนถามว่าเป็นแบบนี้อีกที่ถูกต้องควรพักถ้าเป็นแบบนี้อีกที พวนพักหรือฝืนแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะนี่แหละคือวิธีแก้กความวุ่นคืออย่าไปยอมอย่าไปยอมแพ้มันพอมันง่วงก็อย่าไปหาที่นอนสู้ต่อไปเดินต่อไปจเจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวปั๊บเดียวความง่วงมันก็จะหายไปแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนกับนอนได้นอนหลับมาเป็นหลายชั่วโมงนี่แหละคือความอัศจรรย์ใจของการปฏิบัติ เวลาเจอความว่วงเราก็เคยเจอมาแล้วเดินไปแล้วโอ้ยมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงมันจะไม่ยอมก้าวเท้าอะไรเลยก็บังคับมันมนเดินไปเลยเดินไปเถอดพุทโธไปพุทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันตื่นขึ้นมาเลยหายวุ่งเลยทีนี้ก็สบายงั้นเวลาเจอความวุ่งอย่าไปยอมแพ้มันถ้ายอมแพ้มันก็ติดอยู่ตรงนั้นพอปฏิบัติมาถึงเจอความว่วงทีไรก็จอดหาที่นอน นี่ถ้าเราอยากจะเอาชนะมันก็อย่าหยุดเดินจงกรมต่อไปท่านั่งก็ลุกขึ้นมาเดินเพราะเวลาจะสู้กับคาวามวงนี้ในท่านั่งสู้กันไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินไปบังคับมันยิ่งไปหาที่หน้ากลัวได้ยิ่งดีตรงไหนทางทางเดินในป่าทำทางจงกรมไว้ในป่านี้ที่มัน อ, อาจจะมีงูเลือเล้อยคานมีสัตว์เลื้อยคานอย่างอนมันจะทายงว่วงขึ้นมาทันทีเลย คำถามต่อไปเจ้าค่ะถ้าอยู่กับผู้ที่ชอบเครียดมากบางทีเราทําอะไรนิดหน่อยเขาก็เครียดแล้วมาวุ่นวายใส่เรามีวิธีรับมืออย่างไรเจ้าคะก็ปล่อยวางนะคิดว่าเขาเป็นเหมือนอดินฟ้าอากาศก็แล้วกันดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็ฝนตกเราก็ไปห้ามมันไม่ได้เราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเครียดก็เรื่องของเขา เราอย่าไปเครียดตามเขาก็แล้วกันถ้าเราเริ่มเครียดเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธเมื่อเราหยู่ไปอย่าไปพยายามเปลี่ยนเขา<ม>เพราะเปลี่ยนไม่ได้<ม>เราก็อย่าหนีท่านถ้าหนีไม่ได้ก็อย่าหนีถ้ายังต้องอยู่เขาเพราะบางทีอาจจะต้องทํางานร่วมกันหรือมีภารกิจร่วมกันก็ใช้พุโทโธพุโทโธ รักษาความเครียดของเรารักษาใจเราไม่ให้เครียดแล้วก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะยิ่งจะทําให้เราเครียดขึ้นมาใหญ่คําถามต่อไปการถอนงอกหรือผงคันให้บิดามารดา เป็นบาปใหม่เจ้าคะบางทีเขาใช้ให้ถอนใจจริงบางทีก็ไม่อยากถอนกลัวเป็นบาปเจ้าคะ่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้เจ้าคะ่ะอ๋อถ้าพ่อแม่ให้ใหใหทำก็ทำได้เป็นการรับใช้พ่อแม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกิเลส ข, ของพ่อแม่ก็เรื่องของพ่อแม่เขาไปพ่อ <c oughs> แม่ยังไม่อยากแก่ค <c oughs> <c oughs> วามไม่อยากแก่เดี๋ยวก็จะทำให้ทุกข์ แต่เรารับใช้ท่านท่านให้มันไม่เป็นการกระทําผิดผิดศีลผิดธรรมก็ทําได้ยกเว้นว่าพ่อสั่งให้ไปซื้อสุรามาให้เดืม่มอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปทํตาต่างมันเป็นการส่งเสริมให้พ่อทําผิดศีลได้เแต่ถ้าถอนเรื่องถอนผมห่อเนี่ยังไม่ถือว่าผิดศีลอาจจะเป็นเรื่องของกิเลส<ม>แต่ก็ไม่ได้ห้ามไว้ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอยู่ คำถามจากคุณอนนกน้อมกราบนมรส ก, การพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องการุณยฆ่าสิทธิเลือกตายเพื่อผู้ป่วยพนทรผู้ป่วยทนทรมานหรือหมดทางรักษาถ้าเราเลือกทําการุณยฆาตหรือเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับใช่ถ้าเราเป็นคนสั่งหรือทำเองก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายะ คำถามต่อไปหลวงพ่อคะช่วงนี้ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วจะลดสุขทางกายได้ประมาณหนึ่งจนปฏิเสธจากเพื่อนไปทํากิจกรรมนอกบ้านคะ่ะแล้วเพื่อนจะไม่พอใจเพราะว่าเราได้สุขทางใจก็คิดเสียว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนของเราก็แล้วกันแสดงว่าเป็นคนที่เราไม่ควรครบด้วย คำถามจากคุณอิทธิการถือศีลแปดเรื่องเตียงนอนห้ามเท้าเกินแปดนิ้วตามพระไตรปิฎกหมายความว่าอย่างไรขอรับและเตียงสามารถปูผูกหรือผ้าบางๆได้ไหมายอย่างไรขอรับกระผมอยากถือศีลแปดนะขอรับอันนี้คงจะเป็นเรื่องของพระนะพระวินยัยท่านไม่ต้องการให้พระรูหล่ใหญ่โตเพื่ออะไรต้องกาหนดขนาดไว้ พท่านั้นเองแต่พ่อไม่ต้องการให้นอนแบบสบายให้นอนแบบพักผ่อนร่างกายคำถามจากคุณนาวินนามัสการครับพระที่มีการราคามากจนทุนไม่ไหวเป็นอาบัตสังคาเศษข้อแรกเป็นเหตุให้ตกอบายไหมครับ พอไม่ตกหรอเพราะว่ายังไม่ได้ไปทําบาปกับใครบายนี้ต้องเกิดจากการประพฤติผิดตัวเวณนีแต่ถ้าไม่ได้ไปประพฤติผิดตัวเองนี้ก็ยังไม่ถือว่าต ก, กบายคําถามต่อไปบางทีเราจะสวดมนต์แต่เราก็สวดของเราปกติตามกําลังของเราเรายังสวดไหวอยู่แต่มีใคร เขามาจะห้ามเราไม่ให้สวดมากเป็นอุปสรรคไม่ให้เราสวดเต็มที่รู้สึกไม่สบายใจเจ้าค่ะแต่เรายังมีกำลังที่จะจะสวดอยู่ตามปกติเจ้าค่ะก็ถ้าเราสวดของเราได้แล้วไม่ไปทำให้ใครเขาเสียหายเราก็สวดไปแต่ถ้าการสวดของเราเริ่มไปทำรบกวนคนอื่นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนหาที่สวดที่ไม่ไปรบกวนใครเขา คำถามจากคุณกอ๊อฟค่ะนั่งสมาธิแล้วใจออกรู้ใจออกรู้มันห้ามไม่ได้ต้องมีอุบายอย่างไรครับจิตไม่รวมลงสักทีเลยครับก็ เ, เพราะไม่มีสติอยู่กับพุทโธนั่นเองไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิต้องมีอะไรผูกจิตไว้ถ้าไม่ผูกมันก็จะออกไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ นั่นต้องนั่งแบบมีสติอนาปนาสติก็ดูลมหายใจเข้าออกพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธไปคำถามต่อไปปราบนมัสการถามพระอาจารย์ขอรับผมตั้งใจทำงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยกับผู้คนผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องมากแค่ไหน แต่เราตั้งใจว่าเราจะทํางานถ้าเรามีเงินเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากงานมาใช้เพื่อช่วยเหลือกิจการประโยชน์ของศาสนาคิดอย่างนี้เป็นกุศลตลอดเวลาที่ทํางานใหม่ขอรับถ้าตอนไหนเราอารมณ์เสียขึ้นมามากๆเราจะดับอย่างไรครับถ้าเกิดเราขาดสติไปแล้วครับก็ต้องนึกสติกับมา ต้องรีบพุทธโธพุทธโธบ ร, ริกรรมพุทธโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือสวดมนไปอทิปิโสสวดไปจนกว่าจะได้สติกับคื้นมาใจสงบถึงจะหยุดสวดคะคำถามต่อไปกราบในวัสการถามหลวงปู่ครับผมนั่งภาวนาพุทธโธสู้อยู่กับปัจจุบันถ้าจออยู่กับพุทธโธเหมือนกับว่า อารมณ์ความคิดมันค่อยเบาบางไปบางครั้งรู้สึกอิ่มโล่งๆแปลกๆกระผมภาวนาถูกไหมครับถูกแล้วนั่นแหล ะ, ละคือผลจากการเจริญสติจิตจะว่างจะเบาขึ้นจะเย็นจะสบายขึ้นคำถามต่อไปเวลาปฏิบตัติรู้สึกถึงการเต้นของชิพจรทั่วกายเสียงหัวใจเต้นที่ดังขึ้น รู้สึกชาที่มือรู้สึกถึงกระแสพลังงานที่จมูกเราต้องสนใจมันไหมคะหรือปล่อยมันไปไม่ต้องสนใจมันให้สนใจอยู่กับสติที่เราตั้งไว้กับลมก็ให้อยู่กับลมไปกับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวส่วนอาการอื่นๆทั้งหลายไม่ต้องไปสนใจมีคําถามจากโยมกราบธรรมชาการเจ้าค่ะ สำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งบอกว่าระหว่างเดินจงกรมห้ามกำหนดภาวนาพุทโธเพราะเป็นการเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าโยมไม่เห็นด้วยกับคำบอกยังคงกำหนดเหมือนเดิมพระอาจารย์มีความคิดเห็นเช่นใดเจ้าคะก็ไม่ได้เหยียบเนี่ยเราเหยียบพื้นดินพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราร่างกายก็เหยียบพื้นดินไป ของง่ายๆแค่นี้ยังขึ้นไม่ได้แล้วไปสอนใครเขาทะไรได้คําถามจาก youtube นะคะกราบนมรสรการท่านพระอาจารย์ค่ะเราจะระงับความกลัวได้อย่างไรคะมันคืออวิชชาไหมคะอาจารย์ก็มันเกิดจากอาวิชชาความกลัวคือความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเราพอร่างกายเป็นเราเราก็เลยกลัวเวลาร่างกาย จะเกิดภัยขึ้นมากับร่างกายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เป็นเราเราก็ไม่กลัวไม่วลาคนอื่นเป็นอะไรเรากลัวแทนเขาไหมไม่กลัวแทนเขาเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเราร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็ไม่ได้เป็นเราแต่เราไม่รู้กันนั่นเองเราต้องมาศึกษาด้วยการปฏบิบัติด้วยการแยกด้วยสมาธิและปัญญาถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถแยกเราออกจากร่างกายได้ แล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นที่เราเพราเราจะรู้ว่าเราคือใครเราคือผู้รู้ผู้คิดร่างกายคือดินน้ําลมไฟอาการสาสิบสองเป็นคนละส่วนกันคําถามจาก youtube กราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะปฏิฆาที่เป็นสังโยชน์กับพยาบาทที่เป็นนิวร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ มันคนระดับกันเนี่ยปฏิคฆามันระดับของพระของพระอริยเจ้าเป็นขั้นโลกุตระธรรมส่วนพยาบาทในในนิวรณ์ห้านี้เป็นระดับโลกียะพยาบาทนี้เป็นตัวกั้นไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิส่วนปฏิฆานี้มันเป็นตัวกั้นไม่ให้จิตจเจริญจากขั้นโสดาบันขึ้นสู่ขั้นสกิทาคากับอนาคามีมันคนละอย่างกัน คำถามจาก f เฟซบ o ๊กจากคุณนาวินค่ะอยากทราบว่าอุบายแก้นี้วอนค่ะพระอาจารย์ก็นี่แหละก็ถ้าอว่วงนอนก็ต้องอดอาหารหรือไปอยู่ในที่น่ากลัวถ้าไม่มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ศึกษาให้ฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆนะ แล้วถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาก็ใช้การแผ่เมตตาให้อภัยแล้วก็ถ้ า, ามีความ อ, าอะไรฟุ้งซ่านก็ให้หมันเจริญสติพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆถ้ามีการมัฉันทะก็ให้ไปปีกวิเวกถือศีลแปดให้อยู่พยายามอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถือศีลแปด ไปอยู่ในป่านี้มันจะไม่มีรูปเสียงกิ่นรสอย่าไปอยู่แถวตามศูนย์การค้าตามโรงภาพยนตร์คำถามต่อไปจากเฟ e b o o กค่ะกระับรมสการค่ะขณะนั่งสมาธิจิตรวมลงบางครั้งมีน้ำลายไหลโ ย, ยมก็เพียงรับรู้ปล่อยไปแบบนั้น แต่ไม่ได้พิจารณาอะไรโยงมทำถูกไหมคะหรือควรพิจารณาอย่างไรไม่ต้องพิจารณาถ้านั่งสมาธิพยายามรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปคอยควบคุมจิตอย่าให้คิดอย่าให้ไปปรุงแต่งกับอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็ใกล้เวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา